อัล ا ل ฮฺผู้ท م ا ل ل นาจผู้ทรง لله ญาผู้ท ل ل อัลั ل ผ م ้ทรงอ ل น و จผ ل ้ทรงปัญญาผู ن ทรงอัลัย ل ู้ท م งอำนาจผู้ทรงปัญญาผู้ทรง ن ัลัยผู้ทรงอ ا นาจผู ت ทรงปัญญาผู้ทรงอัลัย م ู้ทรงอำนาจผู้ทรงป ن ญ وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آ ت ِ ن َ ا م ِ ل َّ كَرَحْمَةً و َ ه ِ ي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ا ل ل ه م أ َ ل م ن َ ا مَا يُنْفَعُنَا و َ ن ف َ ع ْ ن َ ا بِمَا ع َ ل م ت ن َ ا وَزِدْنَا ع ِ ل ْ م ا بِرَحْمَتِكَ ي َ أ ر ح َ م َ ا ل ر َّ ا ح ِ م ِ ي ن َ ا ل ح م د ل ل ه ชูครั บ, บะะ ى, ทั้อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ تعالى ที่ทรงได้ประทาน ت و ฟิกฮดิดายัดให้กับพวกเราทุกคนหลังจากที่เราได้ห่างหายไปจากการนั่งอ่านอัลกุรอานร่วมกันนะครับวันนี้อัลลอฮ์ก่อนที่เดือน رمضان จะมาถึงประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับโดยประมาณ ดูแล้วดูปฏิทินแล้วก็ประมาณสี่สัปดาห์าอ Allah เวลาเรายัางมีอยู่นะครับก่อนที่เราจะได้ร่วมต้อนรับเดือนรมตอนก็ตั้งความหวังเอาไว้นะครับว่าเราจะได้จบจากอิรออีกสุรอ ห, หนึ่งนะครับอลัลมุซัมมิลอัยัดไม่เยอะ น, นะครับประมาณอัยัดยีอัยอัดด้วยกันนะครับิอัยัดถ้าแบง่งถ้าสสัปดาห์นี้ ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีลากิดไม่มีลาป่วยก็คงจะจบอะไนะ <g ül> นะช่วยดูอาด้วยนะครับให้มันให้มันได้ทันจบนะครับสี่สัปดาห์อัลลอฮฺสุภาพาะาานะแล้ว <c oughs> จริงๆแล้วถ้าจะเอาแค่คืนเดียวมันก็จบแต่ว่าอ อ, อย่าเลยนะครับถ้าคืนเดียวจบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจหรือไม่ก็นะครับจะไม่ ลึกซึ้งหรือทราบซึ้งกับมันนะครับจริงๆแล้วอายัดแต่ละอายัดในการตั f ซ i r เนี่ยจะว่าไปคืนหนึ่งเนี่ยอายัดเดียวก็พอแล้วไม่ต้องเยอะอายัดเดียวแค่หนึ่งอายัดคืนเดียวหนึ่งอายัดเนี่ยหรือชั่วโมงหนึ่งหนึ่งอายัดเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่พอเลยซ้ําไปนะครับเวลาสําหรับการทบทวนอัลกุรอานของอัลลอฮ์สุลตานอัลละห์เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะเรียนอัลกุรอานด้วยการ ด้วยการรีบเร่งหรื อ, อไปแบบเร็วๆมากๆยกเว้นว่าเราจะมีมิติในการอธิบาย เ, าเพื่อเปิดทางหรือปูทางแล้วพวกเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเองเอนั้นได้ไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็คือถ้าไม่เรียนตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปเรียนอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอาพอดีพอดีนะครับเอาพอดีพอดีไม่น้อยไม่มากเกินเอาแบบระดับพอดีพอดีก็แล้วกัน อย่าว่าแต่การเรียนตัฟซีรเลยนะครับแม้กระทั่งการอ่านอัลกุรอานเองเนี่ยก็ไม่ควรที่จะอ่านแบบเขาเรียกว่าอ่านแบบเร็วๆเดี๋ยวเราจะเรียนมีอายะ ท, ที่เกี่ยวข้องในสุรษนี้ที่บอกว่าให้อ่าน Al แบบาอัลกุรอานแบบทัดเทียอ่านประอ่านแบบเพื่อลึกซึ้งถึงความหมายของมันนะครับอนัพภาษาอะไรกับการตัฟซีรนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะตัฟซีรหรือที่เราจะเข้าใจอัลกุรอานด้วย ด้วยความรีบเรงีบเฉลาะดูอานะครับให้เวลาที่เหลืออีกสัปดาห์นี้แล้วกันอีกสามสัปดาห์เนี่ยเราได้ใช้เวลากับสุราห์นี้นะครับจนจบบิอสเนลล่ะสุค่าเวอตาล่ะเป็น้องเปิดเลยนะครับหน้าที่37นะิบเจ็ดนะฮะสุรษอัลมุซซัมมิลมุซซัมมิลมีตัวชีดอยู่บนตัวซาา์ด้วย มุซจำ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ي า ا อเ م ฮาลมุซั ل ล ق ُ م الليل إلا قليلا نصف เขาเอางั้นคุ้มมันหัวขั้วละอาจด้วยอ้ายวัดที่ลิลขุรา นัตติร์ต إِنَّا سَنُلْقِي عليك قولا ث ق ي ل ا อิ a น่าชีอัตอัลเลล وطأو وأق و ق ي ل ا นั่น a หละค่ะในเนินน้ำริบสบะห์ทั้วถิ่น อัลมุซัมมิลผมอยากจะพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับสุร์นี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะดูเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องพวกเราเคยอ่านสุร์นี้มาบ้างหรือเปล่าผมว่า น so. ่าจะมีบางคนที่เคยอ่านสุรษนี้มาแลวก็เคยอาจจะศึกษามาบ้างพอสมควรสุรุตุอัลมุซัมิลนะครับเป็นสุรษที่ถูกประทานลงมาในช่วงแรกๆที่ท่านนบีลลัลลอฮอะลัยฮิวถูกแต่งตั้งให้เป็นรัูลนะครับจากอัลลอซุบฮานะฮูวะตะละ คือถ้าเราจะย้อนไปนึกถึงเหตุการณ์ของการประทานสุลักษณ์เนี่ยเราจะเห็นถึงความสําคัญของสุลักษณ์นี้นะครับสุลักษณ์นี้เป็นสุลักษณ์ที่ไม่ยาวมากแต่เป็นสุลักษณ์ที่สร้างตัวตนของท่าน رسول صلى الله عليه وسلم และบรรดา صحاب รุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบาท่านบรรดา صحاب รุ่นแรกที่รับอิสลามพร้อมๆกับท่านน บ, บีส ل ลตัลลอฮฺอะลัยฮิลลัมถ้าใครอยากจะรู้จักว่าคนที่ทำงานเพื่ออิสลามเขามีคุณลักษณะอย่างไรคนที่เป็นอัลลฟุาลห กัลายาณชนรุ่นแรกของอิสลามเขามีบุคลิกอย่างไรในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮฮานะตะอลาพวกเราต้องอ่านสรุราห์นี้ถ้าเราจะมอ ง, มองในมมในแง่ ม, มุมของการของการเดาวะนะครับซึ่งผมเคยบอกหลายครั้งว่าในยุยุที่29นี้ถ้าเราจะเรียงลำดับมาตั้งแต่ ส u รัต ah ุลม ah ุลส ah, ah ุรห ah uh, um uh, ์อ ah. ัลควาลมสุรห์อัลฮากะสุรห์อัลมาการิตสุรห์นูห์และก็สุรัตุลจินนมันจะมีบทเรียนและวก็แง่มุมที่สามารถเอามาเป็นเนื้อหาในการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการทำงานด่าวะได้อย่างมากมายนะครับและแน่นอนที่สุดว่าสุรัตุลมุซัมมิลเป็นหนึ่งสุรห์ที่ยิ่งใหญ่มาก เราจะเรียกว่ามันเป็นหลักสูตรการสร้างนักดได้ก็ได้ไม่ปิดเลยคนที่จะทำงานเพื่ออิสลามจะต้องผ่านสวระค์นี้และจะต้องผ่านกระบวนการตามที่สวระค์นี้ต้องการให้มันเป็นนะต้องการให้มันเป็นอย่างไรเจตนารมณ์ที่ถูกประชานลงมาต้องการให้มันเป็นอย่างไรเนี่ยคนที่ทํางานเพื่อ อ, อิสลาม จะต้องพยายามปรับตัวเองอาจจะต้องพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาของมันกับบทเรียนของมันแล้วก็กลับไปดูว่าท่านนบีสุลต่าลฮะลวะซัลลัลลลมรับสุรษนี้มาแล้วทำอย่างไรปฏิบัติจริงอย่างไรกับเนื้อหาในสุรษนี้ท่านจึงสามารถที่จะรับหน้าที่แบกรับความท้าทายในการทำงานได้อย่างเต็มเปี่ยม พี่น้องครับลองกลับไปดูในประวัติศาสตร์หรืออ سب บาบุนุูซูลสาเหตุของการประทานสุรษสุรษนี้บรรดาอุละมะตัฟซีรได้อธิบายว่ามันมีเหตุของการประทานลงม า, าสองสามสาเหตุอาจจะอาจจะคนละคนละทัศนะกันแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากหลายๆอย่างที่เป็นความเขาเรียกว่าความรู้สึก ของคนที่รับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งเขาไม่ความรู้สึกว่าเขาจะทำหน้าที่นี้ได้หรือเปล่าในจำนวนรายงานที่มีรายงานนะครับบอกว่าสุรานี้ถูกประทานลงมายังไงนี่ก็คือว่ารายงานที่มีบอกว่าท่านนาบีสุลตานิสของอสัสสลัมเนี่ยจะไปเก็บตัวที่ถ้ำเฮระใช่ไหมครับไปอยู่คนเดียวที่ถ้ำเฮระโดยความชอบของท่านตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นนบี แต่ท่านก็รู้สึกไม่ชอบสังคมของคนมักกะที่มีความเหลวแหลกที่มีความไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนท่านก็เลยไปเก็บตัวอยู่คนเดียวในถ้ำเพราะเสร็จแล้ววันหนึ่งยิบริลก็มายิบรีลก็มาหาท่านแล้วบอกท่านว่าอิกราะอ่านเราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเจออะไรมาก่อนแล้วท่านเป็นคนที่อ่านไม่ได้เขียนเขียนก็ไม่ได้ เออตอบยิบริลมาฉันอ่านไม่ได้ยิบริลก็กอดท่านกอดจนกระทั่งถึงขนาดว่าเหมือนกับลมหายใจนี่จะหมดจะออกไปจากรน้าแล้วก็บอกอีกอี ก, กรัน่ะอ่านอีกก็ต่อไปอีกนะครับรอบที่สองมาบิกรฉันอ่านไม่เป็นกอดอีกนะเกือบเกือบจะเสียชีวิต คุณเดี่ทั้งสุดท้ายประกรบสามครั้งยิบริก็สอนอิกรับบิสมิรับบิคัลลดีขลัมพี่น้องลองนึกดูถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกยังไงอยู่ดีๆแล้วไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ใครไม่รู้จักไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะรายงานบอกว่าท่านอับดุลลฮัลลัมนอกจากจะได้เจอจิบรีลในทํา p ิีระแล้วยังเจอจิบรีลบนท้องฟ้าด้วย นะครับอยู่ระหว่างท้องฟ้ากับแผ่นดินอยู่บนเก้าอี้จะเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาทั่วๆไปที่ว่าอยู่ดีดๆแล้วอะค่อยๆมาเนี่ยมันมากทีเดียวอันก็เลยลงไปลงไปด้วยสภาพที่อธิบายไม่ถูกด้วยความกลัวด้วยความไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จะบอกอยังไงไปถึงบ้านปุ๊บบอกภรรยาของท่านจำไมิลู้นี่จำไมิลูนี ดัศรูนีดัศรูนีนเนากลัวนะห่มผ้าฉันหน่อยห่มผ้าฉันหน่อยแล้วก็นอนเหมือนเป็นคนเป็นไล้ سبحان الله นี่แหละครับคือที่มาที่ไปของสุราษ์นี้เป็นสุราษ์ที่ถูกประทานมาเพื่อปลอบโยนท่านนาบี m ัม a m m a d s a และให้ความมั่นใจกับท่านว่าสิ่งที่ท่านเห็นเป็นของจริงไม่ใช่ ไม่ใช่พูดขีปีศาสตร์ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นที่จะมาทําร้ายท่านแล้วก็ความรู้สึกหนักน่วงใจความรู้สึกบางรายงานบอกว่าเหตุที่ท่านบอกให้ภรรยาของท่านห่มผ้าท่านเนี่ยเนื่องจากว่าบรรดาพวกมุชริกีนบรรดาพวกมุชริกีนเนี่ยพอรู้ว่าท่านนาบีสุลตลานเนี่ยได้รับวะฮฺอยู่ก็รวมตัวกัน รวมตัวกันที่เาเรียกว่าดารุนนดวรวมตัวกันที่สภาของพวกเขาเพื่อที่จะต่อต้านท่านนับดุมฮัมมัดลลัลลอฮอะลัยฮิลมและก็ลงประชามติลงเสียงลงมติกันว่าเราจะทำอย่างไงกับมุฮัมมัดดีมันมีอาการแปลกๆเนี่ยออกอาการแปลกๆอย่างนี้เราจะตั้งชื่อว่ามันเป็นโรคอะไรดีส ม, มูฮะดะรจุลอิสมันทศดุนน้าส์อันหุ ตั้งฉายาให้กับผู้ชายคนนี้เพื่อที่คนอื่นจะได้ไม่เข้ามาใกล้ก็เลยมีการตั้งฉายาบางคนก็บอกว่าฟะกาลูคาฮินุมุฮัมมัดนี่เป็นหมอดูคาฮินฟกาลูเลสบิคาฮินบางก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบนี้เนี่ยไม่ใช่หมอดูอัลอฮุมะจนูนบางก็บอกว่ามุฮัมมัดนี่เป็นคนบ้านี้เราเรียนแล้วในสุรานูนเราสุร่ลกลัมเราก็เรียนแล้วครับ อลูา ا ิรอลไลซาบิซาฮิร์รจนกระท่านสุดท้ายไม่รู้จะว่าอย่างไงแต่ว่าเกิดผลกระทบต่อคนทำงานการตั้งฉายาเนี่ยบางทีมันก็เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของคนทำงานท่านนบีก็ไม่พ้นจากความรู้สึกนั้นก็เลยกลับไปโดยความรู้สึกห่อเหี่ยวหัวใจผมชั้นหน่อยไม่ไหวละมันจะเป็นไข้หมดกำลังใจนอ่คดีจะผมเห็นไหมครับ ถ้าเกิดจากความรู้สึกกลัวสุรฮ์นี้มาปลอบโยนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตสั่งว่าไม่ต้องกลัวเพราะสิ่งที่ท่านเห็นนั้นคือจิบรีถ้าห่มเกิดจากเกิดท่ากะถ้าหากว่าการห่มผ้าตรงนี้นี่เกิดมาจากความรู้สึกห่อเหี่ยวหัวใจกับการที่ต้องเผชิญหน้ากับแรงต่อต้านของพวกมุสกิมกสุรฮ์นี้ถูกถูกประทานลงมาเพื่อให้กำลังใจ ท่านนบ <builds Donald> <ry> ah ีม ah ุ hammad สัลลัลลอฮุสซาลาムเพื่อที่จะลุกขึ้นยืนมาทางานต่อไปสุบฮานอัลลอฮ์สุราที่ใกล้เคียงกันกับสุราอันนี้ก็คือสุราอัลมุดดซิรความหมายเดียวกันเลยอัลมุมิคนห่มผ้าอัลมุดดิรก็คนห่มผ้าเช่นเดียวกันแต่ในแยะของสองสุรานี้มันจะมีความแตกต่างอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือส ورة อัลมุซจำมิลเป็นการเทรนจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพื่อให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุซลสร้างความเข้มแข็งจากภายในในขณะที่ส ورة อัลมุดดซิร์เป็นการเทรนจากอัลลอฮ์ตะเาเช่นเดียวกันแต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายนอกเดี๋ยวเราจะได้เรียนแต่ทั้งสองสุราตานี้เป็นคู่ฝาแฝด เป็นหลักสูตรการสร้างบุคคลที่จะทำงานอิสลามที่อัลลอฮฺสุบไพราะะละตั้งใจให้ท่านนาบีของเราและบรรดาสัฮาบะที่รับอิสลามใหม่ๆในยุคเริ่มต้นของอิสลามเนี่ยเข้าเข้าอบรมด้วยหลักสูตรนี้เห็น้องเข้าใจไหมครับทีนี้เราลองนึกเปรียบเทียบชีวิตของเรากับ ชีวิตของท่านนาบีตอนนั้นดูว่ามันห่างไกลขนาดไหนท่านนาบีเริ่มต้นทำงานอย่างไรท่านนาบีเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจของท่านอย่างไรและท่านนาบีสร้างมันดาสาบ้าของท่านอย่างไรและเราสร้างตัวเราเองอย่างไร ในขณะที่เราบอกว่าเราต้องการเชิดชูอิสลามเราต้องการทำงานเพื่ออิสลามเราต้องการทำนู่นทานี้แล้วเวลาที่เราทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเราก็บุญเราก็ดา่าเราก็โทษคนนั้นโทษคนนี้โทษนั่นโทษนี่โทษอะไรไม่รู้ไปหมดไม่เคยคิดที่จะมาทบทวนตัวเองว่าเราทำอะไรบ้างที่มันเป็นปัจจัยเขาเรียกว่าปัจจัยเขาเรียกว่าเอ่อปัจจัยที่ถูกบัญญัติโดยอัลล์ ه และ เพื่อให้งานของเราประสบความสําเร็จเวลาที่เราจะโทษการทํางานของเราว่ามันล้มเหลวเนี่ยเราจะโทษอะไรงวกประมาณไม่พอเวลาไม่มีคนไม่พอไม่เคยคิดที่จะไปทบทวนตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่าเราเราเหมือนกับท่านนาบีไหมในการสร้างตัวเองให้เป็นคนทํางานของอิสลามไม่ต้องโทษคนอื่นหรอกครับก้าแรกเราก็ก้าไม่เหมือนกับท่านนาบีแล้ว สุบข้านัลลแะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่อยากจะแบกรับภารกิจนี้นะต้องอ่านสารนุรานี้แล้วต้องทำความเข้าใจต้องพยายามที่จะปฏิบัติต้องช่วยกันทำอย่างไรเพื่อที่จะให้มีจิตวิญญาณของอัลมุซัมมิลสุร่าอัลมุซัมมิลในหัวใจของพวกเราทุกคนนั่นแหละนะครับมันมีหลายเรื่องเหลือเกินสุรานี้ที่ผมอ่าะ จริงๆเราสซลนี้ถ้าจะให้พูดตรงไปตรงมาก็คือมันเกี่ยวข้องกับภารกิจที่เราเรียกว่าการกยามุลไล่ o เป็นหลักสูตรการสร้างบุคคลที่จะทำงานเพื่ออิสลามสำคัญมากภารกิจนีนะ้มีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เขียนนะเรื่องการกียรมุลไลกลับไปอ่านดูเพราะนี่ถอดบทเรียนมาจากสซะนนี้โดยเฉพาะ การแก้โมเลยเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงมีความสำคัญยังไงมีผลต่อชีวิตเรายังไงมีหลักการอะไรยังไงบ้างจะทำอย่างไรเพื่อให้เราได้ได้ผ่านอักษรนี้กันทุกคนนะครับแล้วก็ให้คะแนนตัวเองว่าเราสามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบหรือลองลองลองให้มันเหมือนเหมือนหน่อยกับวิธีการของท่านอับดุลลาะสลัมในการที่จะเริ่มต้น นะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณภาพของศาสนาอิสลามอัลลอฮุมุสซาอัลละหาอัลลอฮ์และก็อัลลอฮ์นะครับเราอุมาติสลามปัจจุบันนี้ช่างอ่อนแอและเกิดนะความอ่อนแอของเราบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยที่เรามองว่าประชาชาิมุสลิมอ่อนแอนะครับพวกเราอ่อนแอบางทีพอเราค้นไปค้นมานี่ความอ่อนแอมันไม่มันไม่ได้อยู่นอกกายนะมันอยู่ข้างในเรานี่เอง มันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกที่เราเอรอทุกวันนี้เพราะเพราะเรื่องบางเรื่องที่เราไม่คาดคิดเป็นเรื่องบางเรื่องที่เราลืมนึกเป็นเรื่องบางเรื่องที่เราไม่ยอมทบทวนตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นของการที่เราจะนะครับละอิละฮะอิละลลอฮ์เสฟรุลลอฮฺกูบิละมาดูกันนะครับว่าสุรษนี้นะห้าอายัดแรกหรือหกอายัดเจ็ดอายัดแรกเนี่ย มันมันขนาดไหนนะครับผมก็ไม่กล้าที่จะบางครั้งก็ไม่กล้านะครับรออาคบัดมี bar. ความรู้สึกละอายแกใจนะครับเพราะว่าเราอ่อนแอมากจริงจริงนะครับกับการที่เราบอกว่าเราจะเดินตามรอยเท้าของ น, นาบีม uh <am> ุฮ uh ัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมยาอยูฮุซัมมิลโอผู้ที่กำลังผมผ้าเอย๋ยกุมิลัย อิลละกาลีจงลุกขึ้นมาละหมาดในยามกลางคืนอันนี้เป็นคําสั่งหลังจากที่สั่งให้อ่านซึ่งเป็นหลักสูตรประการแรกก็คือให้อ่านก่อนให้มีความรู้ความรู้อิกราบบิสมิรบบิคัลทีล่ خ มีความรู้แล้วต้องสร้างที่กวญยญนให้การเกี่อัมร์เลยมูมิลเลย อุหมินไ ล, ลจงลุกขึ้นมาทำอิบาดตัตอัลลอฮฺซุบฮฺฮาตะอลาในยามกลางคืน إ ากลล ي ل ายกเวน้นนิดเดียวเท่านั้นอั Akbar. ลลอฮฺว่าอัลอลอฮำสั่งโดยรวมเนี่ยเหมือนกับว่ากลางคืนทั้งคืนเนี่ยให้ทำอิบัตัตอัลลอฮฺซุบฮฺฮานตะอัลาจนเต็มหมดทั้งคืนเลยอุหมินไ ล, ล่ไม่มีข้อยกเวน้น อุมลัหมายความว่าตลอดทั้งคืนเนี่ยห้ามหยุดทำอิบดตัตต่อรอถ้าไม่มีคำว่าอิละกอลีนะยกเว้นเพียงนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวนี่ทำอะไรเพื่อพักผ่อนเข้าใจไหมครับถ้าสมมติว่ากลางคืนมีระยะเวลากี่ชั่วโมงส2บสองชั่วโมงได้ไหมจริงๆแล้วไม่ถึง12ชั่วโมง เพราะอะไรเพราะเวลาที่เรานับ ก, กลางคืนเนียเราจะนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกไปจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นอันนี้กลางคืนของเราแต่กลางคืนในทางเชระกในทางบทบัญญัติก็คือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนถึงขึ้นสาจาร์ซอเดิบหรือเข้าเวลาสุบะเพราะฉะนั้นมันไม่ถึง12บชั่วโมงโดยประมาณก็ประมาณสักสิบชั่วโมงกว่าอันนี้คือกลางคืน หมายความว่าอิลลากะลิลลเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยให้กียร์ให้กียราทำอิบะดัตต่อละวัลลอฮฺทั้งสิบชั่วโมงเลยยกเว้นนิดเดียวเท่านั้นที่ให้พักผ่อนนิดเดียวนี่เท่าไหร่อัลลอฮฺทั้งหลาอธิบายในอายะทีต่อไปนิสฟาหูอวิงกุสมินหูกะลิลล่ะวซิดะ ข้อยกเว้นที่บอกว่าให้พักผ่อนได้สักนิดหนึ่งเนี่ยอะไรต่ละแบ่งออกเป็นสามระดับหนึ่งนิสฟะหูครึ่งต่อครึ่งหมายความว่าสิบชั่วโมงให้ทำอิบัตัดตออลอดเลาตะห้าชั่วโมงอีกห้าชั่วโมงให้พักผ่อนพอจะไปไหวไหยพวกเรา <ت ص في ق> ทุกวันนี้เราไหวไหมเฮ้ยแมะมีพอราบอกวะ س ب ح ا าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อ่านิสฟาหูครึ่งตักครึ่งเอางั้กุสมินหูกะลีละอันที่สองลดลงจากครึ่งอ่าสิบชั่วโมงครึ่งครั้งสิบชั่วโมงก็คือห้าลดจากลดจากห้าก็คือ ประมาณสี่ชั่วโมงนะห้าสี่ชั่วโมงครึ่งก็ว่าไปหมายความว่าให้อิบาดดัตสักสี่ชั่วโมงครึ่งก็ได้ลดจากครึ่งก็คือสี่ชั่วโมงครึ่งอิบาดดัตสี่ชั่วโมงครึ่งพักผ่อนมากกว่าอิบัดดัตในกรณีนี้จนกระทั่งเหลือถึงหนึ่งบางบางบางอาบางอุลามะบอกว่าลดจนกระทั่งเหลือเศษหนึ่งส่วนสามของกลางคืน ไม่ให้น้อยกว่า น, นั้นไหวไหมพวกเราเซนหนึ่งส่วนสามของกลางคืนในการทำอิบาต ด, ดัตต่อรอส์วาลตะลาในยามกลางคืนประมาณกี่ชั่วโมงถ้ามันมีสิบชั่วโมงเนี่ยหนึ่งส่วนสามกี่ชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงครึ่งให้ทําอิบาต ด, ดัตส่วนที่เหลือให้พักผ่อนอันนี้น้อยที่สุดและนี่น้อยที่สุดเพราะว่าอันสุดท้ายนี่มันจะเยอะกว่าอันสุดท้ายนี่ Allah ะ a a l a บอกว่าเอาซิดอะไร หรือเพิ่มจากครึ่งเพิ่มจากครึ่งหมายความว่า5้าชั่วโมงเนี่ยให้หกชั่วโมงทาอิบาดดัตหกชั่วโมงทาอิบาดดัตเจ็ดชั่วโมงทาอิบาดัตแปดชั่วโมงอีกสองชั่วโมงพักพออันนี้คือความหมายของคำว่าออลลี่และแบ่งเป็นระดับนะหมายความว่าอาจจะครึ่งต่อครึ่งหรืออาจจะน้อยกว่าหรืออาจจะมากกว่าครึ่งก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเรา แต่ปัญหาตอนนี้ก็คื อ, อเราเนี่ยน่มินไลยจงนอนกลางคืนนะ <laughs> อิลากอลีล่ละยกเว้นนิดเดียวเท่านั้นที่ลุกขึ้นบางทีก็ไม่มีเลยสักนิดนึงที่ลุกขึ้น <laughs> ยิ้มได้ไหมครับเนี่ยยิ้มเนี่ยยิ้มกับตัวเองเนี่ยยิ้มเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยคือความสุภานั ล, ล, ลอีละอ ล, ละ์แต่ชื่อรอเปล่าครับว่า ถ้าสมมุติว่าพวกเราทำได้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าในยุคแบบนี้ยุคที่เราอยู่กับเฟ e บุ๊ k ตลอด24ชั่วโมงเรายุคที่เราอยู่กับโซเชียล24ชั่วโมงแล้วเราสามารถที่จะลุกขึ้นมาละหมาดกลางคืนได้แม้เพียงแค่นิดเดียวผลบุญของมันจะใหญ่มาก บางที่อาจจะใหญ่กว่าการเกียรมมลลายของคนสมัยก่อนด้วยซ้ำไปวัลอฮอะลัะวะ ล, ลัมทำไมที่ผมพูดอย่างนี้เพราะมันมีฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนาบีสุลละสัลลัมบอกว่าในยุคที่มีฟิตนะเยอะๆแล้วคนที่สามารถจะเอาตัวเองออกจากฟิตรนะแล้วมาทำอิบตัตัต Allah Subhanahu เขาจะได้รับผลบุญที่มาก กว่าคนสมัยก่อนถึงห้าสิบเท่าห0สิบเท่าบรรดาสัฮาบะเนี่ยตกใจห0สิบเท่าเนี่ยหมายถึงห0สิบเท่าในระหว่างพวกเรากันเองหรือห้าสิบเท่าจากบรรดาสหฮาบะถามท่านอับดุลลอฮะซาลลัมด้วยความด้วยความงงเหมือนกันท่านนาบีบอกว่าเบลมิงคุม ห้สเท่าจากบรรดาสาบ้านเองเพราะอะไรครับเพราะในยุคของบรรดาสาบ้านมันไม่มีฟิชนะแบบเราวัลลอฮุอะลลอเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องทบทวนตัวเองต้องเอาจริงกับเรื่องนี้สักดิ้นหนึ่งฮะมิลละที่เราได้อ่านสุราคนี้ก่อนที่ละมดจะมาถึงเพราะว่าเราจะได้ใช้ละมดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางแผนสร้างตัวเองด้วยหลักสูตรการเกียร์หมดเ ล, ลจะทํำยังไงนะครับนี่คือ ผมจะเอาแบบเนื้อเนื้่อย um, ่างนี้แหละนม่อธิบายมากละเพราะว่ายิ่งอธิบายมากมันก็บทสรุปมันก็อยู่ตรงนี้แหละมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะทาให้มันเป็นจริงได้ยังไงกับอายนี้ให้มันเป็นวิถีชีวิตของเรายาออยุลมุซัมลิลลอิลลาาลลนิสฮูอินกุสมนูาลลอิดะวตลิลุรานตรตล การกียรมุเลยลเกี่ยวข้องกับการอา่านอัลกุรอานกียรมุเลยลของท่านนบีสุลต่านก็คือการที่ลุกขึ้นมาอ่านอัลกุรอานในละมาการอ่านอัลกุรอานนี่จะมีฟลดิลัของมันในตัวของมันอยู่แล้วแต่การอ่านอัลกุรอานที่ดีที่สุดก็คือการอ่านอัลกุรอานในละมาดกลางคืนอันนี้คือที่สุดของที่สุด อ่านอัลกุรอานตอนเช้าอ่านอัลกุรอานตอนขึ้นรถอ่านอัลกุรอานตอนไหนก็แล้วแต่มีผลบุญของมันโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอธิบายให้มากความละแต่การอ่านอัลกุรอานที่ดีที่สุดก็คือการอ่านอัลกุรอานในละหมาดและในเวลากลางคืนอ่านแบบไหนอ่านแบบทาร์ตีลทาร์ตีลก็คืออ่านการอ่านอัลกุรอานแบบชัดถ้อย ชัดคำไม่ใช่อ่านเหมือนกับนะมนดิสวแล้จันทรุหูนสรลเหมือนกับโปรยสายสราเามาทลารลาเรนอ่านเหมือนคนองจาอัลกุรอานเหมือนคนที่ทวนอัลกุรอานเนี้ยีคนทวนอัลกุรอานอันนั้นเขาไม่เรียกตรีแล้วก็ไม่ใช่อ่านเหมือนบทกวีอ่านตตีตรงนี้ไม่ใช่อ่านแบบเหมือนกับคนที่พยายามจะอ่านให้เหมือนกับการร้อง บสออันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะอ่านคติหไม่ถึงไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าต้องเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเขาเรียกว่าอ่านแบบเพลงอ่ะแบบแบบกอรีอ่านแบบกอรีก็ยังไม่ใช่อ่านแบบคติอ่านแบบกอรีก็เป็นอ่านแบบกอรีไปอ่านแบบคติก็คือความพอดีพอดีอ่านเพื่อที่จะทำความลึกซึ้งกับความหมายของมันด้วยความพอดีอ่านทีละอายั เหมือนกับท <ivi> ี่ท่านนบีุลบดาฮบบอกว่าท่านหญิง hmm. อ e ิชชาบอกว่ามีอันเดนที่บอกว่าจากจากอนัสจากอิชเองนาอาอัลลอฮฺนาลลัุลุลุตาลนัสาตลัุััลัลานัตัตนา่านบ่านบลา ب ิ سم الله الرحمن الرحيم อ่านให้ถูกทํานองถูกตจุดถูกมัครดของมันแต่ไม่ใช่ว่าจนเกินเลยบางทีการอ่านแบบจนเกินเลยเนี่ยไม่ได้ต้องการทําความเข้าใจความหมายต้องการให้เสียงมันไพเราะอย่างเดียวให้คนอื่นฟังแล้วไพเราะแล้วตัวเองก็รู้สึกรู้สึกดีไม่ได้อ่านเพื่อต้องการทําความเข้าใจกับความหมายของมอ่านแบบตะตี๋เนี่ย ไม่ใช่อ่านแบบเร็วและก็ไม่ใช่อ่านแบบลาบเหมือนกับฮะไม่ใช่เหมือนกันนะครับอ่านแบบพอดีพอดีแต่ทันที่จะรู้เรื่องฟังอ่าฟังอัลกุานแล้วมันค่อยๆซึมซับเข้าไปในหัวใจของเราตอนที่เราอ่านนั่นแหละที่เราเรียกว่าอัตต์ตีนะตัวชี้วัดของมันการอ่านอัลกุรอานแบบตัดตีเนี่ยตัวชี้วัดของมันที่สําคัญที่สุดก็คืออ่านแล้วเรารู้สึก กระทบกับหัวใจนั ت ت ่นแหะครับว่าอิดะกุรอัลกะไรนะมนที่อัลลอฮฺสุบไบฮฺท่านบอกในสุรุตุลอัมฟัลว่าอิดะตุทละอัลเลห์อายะตุนะว่าอิดะตุลียะตัลเลห์สุรุตุลอัมฟัลใครจำได้บ้างทีอัลลอาบอกว่า ا د ت ه م إيمانا. ว่าอิดะซุคีร์ลลอฮว่จุบมวอิตุลียะลมอายตุ ا د ت ه م إ ا เวลาที่ฟังอายัของลอสวาลตะอลาเนี่ยีมานเพิ่มขึ้นแล้วนับภาษาอะไรกับการอ่านเองอันนี้คือจุดประสงค์นะจุดประสงค์ของการอ่านอัลกุรอานแบบตรตี้ต้องการให้เกิดความคุ ช, ชุกต้องการให้เกิดสภาพที่หัวใจได้รับประโยชน์จากอัลกุรอนารนเลยกีเราเข้าใจผิดกันเยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะเห็นบางที่บางแห่งเนี่ยเขาเขาไม่ได้อ่านอัลกุรอาน นะระมัฏน Ramadan เนี่ยการละห ม, มาดตะเราแวะเนี่ยเราเรียกว่าว่าเราเรียกว่าการเตียมก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วละห ม, มาดตะเราแวะกับกับเกียรมุลไลยเนี่ยอันเดียวกันเพียงแต่ว่าในละห ม, มาดในช่วงเดือนระมัฏนเนี่ยมันถูกเรียกว่าตะเราแวะนะครับมันก็มีที่มาที่ไปของมันแต่มันก็คือละห ม, มาดอันเดียวกันจุดประสงค์ของการละห ม, มาดตะเราแวะเนี่ยก็คือเพื่อ อ, อ่านอลัลกุรอานแบบนี้แหละแบบตัดที่แบบนี้ยอ่านเพื่อให้เพื่อให้อย่างน้อยสักปีหนึ่งที่เรามาฮะ มันั่งมายืนมายืนรับรัลลอฮจ้าอัลกุรอานของอัลลอฮฺสุมาต่าเราไดการฟังรำร่างแบบชัดยชัดๆแต่ก็ยังมีนะครับพี่น้องมุสลิมที่ยังไม่เข้าใจนะครับฮะดะของอลลอฮฺอ่านอัลกุรอานแบบบางทีหนึ่งนัดคือ่านไหมฟัตีฮะหนึ่งน้ฟัดเฮ้มันจบเร็วเ็วอ่ะหนึ่งน้ันี่อะไรน้ำัดนี่เว่าะ หน <g kaufen in Mobile> <life> oui ึ่งอะไรหนึ yep <Wallace> <sy> ่งลมหายใจอ่ะหนึ่งอะไรนะเขาเรียกคือไม่หยุดเลยมัลลอฮฺบิสမิลผมไม่ไหวแต่มันมีบางคนอิมามบางคนเนี่ยฝึกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะจะเอาไว้อ่านในสุราในในเดือนอามอต อันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงมากอุลวะลาฮุดุลเลาะห์ฮุสันมาดุลเนี่ยจบคนฟังไม่ทันไม่อ่านฟังนะจบได้ซ้ำไปเราก้องแล้วอัลลอฮฺเรียกว่าอ่านแับรถด่วนไหมอ่านแบบรถไฟฟ้าไม่ใช่นะครับนีไม่ใช่เลยเราไม่ได้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยที่เป็นเนื้อหาที่เป็นสิ่งที่มาชะ ชะล้างหัวใจของเราสร้างความเข้มแข็งกับหัวใจของเราไม่ได้ถ้าเราอ่านอัลกุรอานแบบนี้อ่านอัลกุรอานที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจก็คือวรตีลิลกุรอานะตรีละแล้วทำไมต้องเป็นกลางคืนอัลลอฮ์บอกหลังจากนี้อินนาชีตัลไลลีฮียาชดวะตันแะอวามอินน่า سن ุล ق ي و ل นั อินอา น, น, า لم, น, น, นั้นึ้นเร า, า, นนาจะต้องรับล l ตาลาบอกว่าฉันจะให้คำพูดที่หนักแน่นให้กับเจ้า คำพูดที่หนักแน่นถ้อยคำที่หนักแน่นก็คืออัลกุรอานุลกิริมท่านนาบีจะต้องแบกรับอัลกุรอานอัลกุรอานเป็นสิ่งที่หนักแน่นทั้งในเชิงนามธรรมความหมายของมันบทบัญญัติของมันผลบุญของมันการมีชีวิตชีวาของมัน พลังของมันในการเปลี่ยนแปลงมนุษย์สังคมมนุษย์การชี้นำของมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หนักแน่นนี่คือความหนักแน่นในเชิงในเชิงนามธรรมและยังเป็นความหนักแน่นในเชิงรูปธรรมยังไงครับมีหลายเรีวยวะยันะครับที่บอกว่าเวลาที่ท่านนาบีสุลต่าละฮะเลวซัลลัมรับอัคยูจากกิบรีลเนี่ยบรดาสาบานี่จะรู้ ว่าตอนนี้ท่านนาบีกำลังรับวะฮอยู่ด้วยอาการบางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่านั่นคือลักษณะที่ท่านนาบีกาลังรับวะฮ์อยู่เชน่นวันนี้ท่านนายหญิงไอชาบอกว่าบางครัง้งในอากาศที่ฤดูหนาวอากาศหนาวจัดแต่มีเหงื่อไหลออกมาจากท่านนาบีสุลต่านเพราะอะไรเพราะกํากลังรับวะฮอยู่ที่มันเป็นเรื่องหนัก บางครั้งท่านนบีสุลต่านละอัลลอฮุซุลเลาะเนี่ยเคยเอาหัวเข่าไปประชิดหรือไปไปตั้งอยู่บนซาฮาบะของท่านบางคนอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะที่ท่านนบีเวลาที่ท่านสอนซาฮาบะของท่านบางคนเนี่ยท่านจะประชิดตัวเลยเอาหัวเขา่ามาชนหัวเข่าเลยแล้วบางทีจะมีวะฮยูลงมาตอนนั้นปรากฏว่าซอฮาบะคนนั้นจะรู้สึกได้ว่ามันหนักน้าหนักมันจะเพิ่ม ในขณะที่ท่านนาบีกำลังรับวะอยู่นี่คือหนักความหนักแน่นของอัลกุรอานในเชิงในเชิงรูปธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าสังเกตดูให้ดีนะฮะอัลลอฮฺตาอัลลบอกว่าเราจะให้หน้าที่เจ้าเราจะโยนโยนอัลกุรอานให้เป็นหน้าที่ที่เจ้าจะต้องแบกรับหน้าที่ของท่านนาบีก็คือเอาอัลกุรอานไปบอกกับมนุษยชาตินี่คือหน้าที่ของเราด้วย หน้าที่ของเราเราบอกว่าเราจะดาวาา่าอะไรด่าว่าด้วยการเอาอัลกุรอานนี่แหละไปบอกให้กับคนอื่นไม่ใช่เอาประชญาของคนนั้นไม่ใช่เอาประชญาองนีน้เริ่มต้นด้วยการเอาคําพูดขอร้องแหละไปเผยแพร่กับคนอื่นบรรลิกูอันนี้ว่าเราอายอะจงเผยแพร่จากชั้นไปแพร่อะไรว่าเราอายอะถึงแม้ว่ามันเป็นเพียงแค่อายัดเดียวอายัดนี้ก็คืออายัดอะไรอายัดอัลกุรอาน การทำหน้าที่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าหัวใจไม่เข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นต้องสร้างหัวใจให้เข้มแข็งด้ยวยการเกียร์บุญดเพราะเวลาที่อัลลอฮฺจะโยนอัลกุรอานลงมาเนี่ยอัลลอฮฺจะไม่โยนลงไปที่มือที่เท้าที่หัวที่สมองแต่อัลลอฮฺจะโยนลงไปในในหัวใจนัละบฮรรูหุลอามีน علىقلبك لتكون من المنذرين القرآن เนี่ยนล الروح الأمين الله تعالى ประทานลงมาผ่านจิบริลที่มี amanah ซ่งยิ่งเอาใจของท่านนบีสุลลัลละฮ์สัลลัม لتكون من المنذرين เพราะท่านนบีเนี่ยเวลาี่อัลกุรอานลงมาแลหัวใจของท่านแล้วจะออกไปเป็นนักเดา นี่เราได้บทเรียนเยอะมากครับจากเรื่องนี้นะเราเวลารับ อ, อัลกุรอานต้องรับด้วยหัวใจเวลาทำงานก็ต้องทำงานด้วยหัวใจถ้าหัวใจของเราอ่อนแอเราทำงานไม่ได้ทำงานก็ไม่ประสบความสาเร็จทำไปถ้าหัวใจไม่บริสุทธิ์บันทีความรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยอัลกุรอานมันบริสุทธิ์อยู่แล้วครับพี่น้อง เราไม่ต้องไปปฏิเสธอัลกุรอานนี่มันบริสุทธิ์ของมันแต่พอมันเข้ามาในหัวใจที่ไม่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันแปดเปื้อนแล้วเวลาที่เราเอาเอาความรู้ที่แปดเปื้อนหัวใจที่ไม่บริสุทธิ์ของเราไปบอกคนอื่นถึงแม้ว่าต้นตอของมันจะบริสุทธิ์เวลาที่เราเอาไปบอกคนอื่นผ่านหัวใจที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันทำไมบริสุทธิ์มอนกัน เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนอกจากความรู้ที่เราจะเอาไปบอกคนอื่นต้องบริสุทธิ์แล้วภาชนะที่เราจะใส่ความรู้ที่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยก็ต้องสะอาดด้วยหัวใจของเราต้องสะอาดด้วยเวลาที่เราเอาอิสลามไปบอกคนอื่นต้องบอกด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นี่แหละที่ท่านนาบีบอกว่าอัดดีนอันนสซีาฮ์อันนสซีฮ มาจากคำว่าการกรองกรองน้าผึ้งกรองเศษขยะออกจากน้าผึ้งนี่คือคำว่านาัซีะ่ะบางทีเวลาที่เราเตือนคนอื่นเช็คหัวใจดูก่อนว่าบริสุทธิใจไหมตอนที่เตือนเขาเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเตือนด้วยความสาใจต่างกันเยอะมากระหว่างเตือนด้วยความสาใจสะใจ กับตื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮฺอักบารไม่มีแล้วครับผมไม่รู้จะบอกแล้วว่าการที่เราจะสร้างตัวตนของคนทํางานด้วยอิสลามถ้าไม่ผ่านกระบวนการนี้ไม่ไม่ไม่รับประกันไม่รับประกันว่าผลที่ออกมามันจะบริสุทธิ์ไหมมันจะเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าอัลลอฮฺอักบาแต่หลักสูตรของท่านนาบีเป็นอย่างนี้ อินนา سنُلقي عليك قولا ثقيلة القرآن เป็นสิ่งที่หนักเราก็ต้องรับมันด้วยหัวใจวิธีการเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถรับภารกิจนี้ด้วยหัวใจได้ก็คือการสร้างหัวใจของเราให้เข้มแข็งด้วยการเกียร์หมดละด้วยการอ่านอัลกุรอานในยามกลางคืนในการที่เราเข้าหาอัลลฮอน ا ل ل هي أشد ن ا و أ ق و ي ل ه นี่คือตกลีลเขาเรียกว่า เป็นการอธิบายเหตุผลว่าทําไมต้องเกลียมดเลยอย่างเดียวทําไมละมาตตอนอื่นไม่ได้หรือละมาตตอนกลางวันไม่ได้หรือมีแรงมากกว่าเห็นไหมฮะเนี่ยละตาราบอกเองว่าเจาะจงว่าต้องเป็นต้องเป็นกลางคืนเพราะอินนาชิอัตตอรลกลางคืนหลังจากที่นอนแล้วเนี่ยุละมาตับเซธหลายท่านอธิบายว่าแนชิอัตตอรลน์ก็คือการที่เรานอ น, อนก่อน แล้วตื่นขึ้นมากลางคืนการทำอย่างนี้เนี่ยในขณะที่คนอื่นกำลังนอนอยู่แล้วเราตื่นขึ้นมาอย่างกลางคืนแล้วเรามาละมาดเนี่ยฮิอาชดุวะอันมั น, ม, นมันเข้าถึงวะอันเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าวะอันเมาจากคำว่าการเยี่ยมอ่าเสมือนกับว่าอัลกุรอานมันทับลงไปในหัวใจของเราแบบเข้มข้นมากกว่า ชัดด้วมันเข้าลึกได้ดีกว่าเราเราดึงเราเราอะไรนะเราอัดเข้าไปในหัวใจของเราได้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันเงียบนะอัล ก, กุรอมาคิลละนะเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานนี่มันจะแทรกซมึมันจะเข้าไปมันจะเข้าไปมีปฏิกิริยากับหัวใจของเราได้ดีกว่าการที่เราอ่านมันในตอนลกลางวันนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยว กลัวจะหนักเกินไปอาทิตย์หน้าไม่มาแล้ว <laughs> กลับไปทุบทวนสักนิดหนึ่งนะครับผมเองก็ต้องทบทวนเราเองก็ต้องทบทวนมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้อย่าลืมนะครับว่าท่านนาบีสุลต่านกับบรรดาสหภาพของท่านกว่าที่ท่านจะสร้างสังคมนะครับที่เป็นแบบอย่างให้กับมนุษยชาติท่านใช้เวลาถึงยีบสาปีเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยนะครับที่เรานะครับที่ต้องสร้างอยู่ นะครับมันไม่ใช่ว่าเราเรียนวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านอับดุลเลฮลมใช้เวลา23ปีในการเปลี่ยนซารบะเราก็คงไม่น้อยกว่านั้นในการที่จะเปลี่ยนตัวเองในการที่จะเปลี่ยนสังคมรอบข้างเรา و ل ه ت ا ل ح م د ا ل ل ه رب ا ل ع ي ن السلام ع م و ح م الله